นอบน้อมได้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าขอพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์เจริญได้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนและลูกหลานโดยทั่นทั่วกันทุกคนทุกคนเธอ ก็จเจริญพรยัด ย, ยมศรัทธาสาธุชนลูกหลานทุกๆคนวันนี้เราพอได้มีโอกาสมาร่วมสร้างบุญกุศลกับพวกเราอีกครั้งหนึ่งแหละคนที่ทำงานที่นี่มานา น, น, าน ก็อาจจะจำได้นะว่าหลวงพ่อมาที่นี่หลายครั้งแล้วสมัยก่อนนั้นเราก็จัดกิจกรรมนี ม, มนต์หลวงพ่อมารับปาด้วยนะอันนี้ก็ย้อนไปนะ่าจะเป็นคร้าวาจะสักยี่สิบปีนะแต่วันนี้มาก็มีบางคนก็ บอกหลวงพ่อว่ากเกษียณแล้วบางคนก็บอกว่ากําลังจะเอรอีนะเร่องความหมายมันก็เหมือนกันก็คือก็กําลังจะแก่แล้วนะเฉพาะอเห็งปัญหาเรื่องของความแก่มานานมากแล้วจากปัญหาที่ผู้ป่วยโรคเอด คนหนึ่งเนี่ยไปเสียชีวที่วัดพระบดันพุแล้วก็มอบสมบัติไว้ให้หลวงพ่อก็คือแม่ของตัวเองเนะหลวงพ่อก็ต้องดูแลมาจนแก่ก็จากไปแล้ว mm hmm. ก็เผาที่วัดพระบดันพุนั่นแหละ ต่อมาก็มีอีกนะหลายๆคนที่เป็นผู้สูงอายุที่มากับผู้ป่วยบางคนก็เป็นยายนะที่เป็นยายก็เพราะว่าต้องเลี้ยงหลานส่งหลานนั้นตอนที่ยังยังเป็นเด็กเนะี่ยโตขึ้นมาก็ช่วยยายทำงาน หาเลี้ยงยายจนยายไม่ไหวแล้วนะแต่ที่สุดแล้วหลานก็ติดเชื้อเอ v วีหรือเชื้อโรคเอด่์ก็ขอเอายายไปอยู่ที่วัดด้วยอันนี้ก็ไม่ใช่แม่และเป็นยายซึ่งหลานเองก็ไม่เคยได้รับการเลี้ยงดูจากพ่อแม่เลย ก็ปัญหาของบ้านเราอย่างหนึ่งก็คือการที่พ่อแม่เนี่ยไม่ไม่อยู่กับลกูกทิ้งลูกให้ตายายเลี้ยงบ้างให้ปู่ย่าเลี้ยงบ้างและปัญหานี้ก็รุนแรงมากทักวันนี้เนี่ยถ้าเอาที่ใกล้ๆหลวงพ่อเนะี่ย ก็มีโรงเรียนที่หลวงพ่อต้องดูแลมากบายหลายโรงเรียนนะมาสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เชิญโรงเรียนเจ็ดโรงเรียนแหละมาะให้ข้อมูลในเรื่องของโรงเรียนเพราะาทุกโรงเรียนเลยก็จะขอความช่วยเหลือแบาอย่างทางวัดโดยเพราะเรื่องของ อาหารกลางวั น, นทุกโรงเรีย น, นเด็กๆก็จะขาดเรื่องอาหารกลางวันแต่ที่หนักไปกว่านั้ น, นทุกโรงเรียนสภาพก็เหมือนกันก็คือเด็กส่วนใหญ่มาโรงเรีย น, นไม่ได้กินข้าวเช้าจะาเด็กเกินเก้าสิบเอร์เซ็นตะพ่อแม่ไม่ได้อยู่ด้วย จะอยู่กับตากับยายบ้างปู่ย่าบ้างหรือบางคนก็อยู่กับลุงป้าจนพ่อแม่ของเด็กก็จะออกไปทามาหากินที่ไกลๆก็ส่งเงินกลับมาบ้านบ้างแต่บางครั้งเนี่ยก็ส่งมาไม่ได้เพราะว่าไปทำงานแล้วก็เอาตัวไม่รอดเหมือนกันก็เลยทำให้เกิดภาพของเด็กที่ เช้าก็ไม่ได้กินข้าวไปโรงเรียนได้เสตยตังไปห้าบาทสิบบาทก็ซื้อขนมกินก็รอไปกินอาหารกลางวันที่โรงเรียนจะโชคดีอยู่บ้างว่าทุกโรงเรียนหลวงพอก็ช่วยเหลือนะเรื่องอาหารกลางวันหรือพอเข้าสารก็มีให้ทุกโรงเรียนแต่พอมาทราบปัญหาใหม่ก็รู้สึกกังวลใจนะเพราะว่า การที่เด็กไม่ได้กินข้าวไปตรงเรียนเนี่ะแต่ต้องเรียนตั้งแต่เช้าแล้วก็ทำให้สมองก็ขาดพลังงานนะไเอาจะบอกตรงไปตรงมาก็คือเด็กเราก็ไม่ค่อยฉลาดแล้วผลการเรียนออกมาก็ไม่ดีนะประเทศเราตอนนี้การศึกษาก็หล่นไปอยู่อันดับท้ายๆนะของเอเชียลนะแต่ที่ น่ากลัวมากก็คือว่าไอ้ความยากจนเนะ่ที่เกิดขึ้นนะ่ทำให้เด็กส่วนหนึ่งรองเท้าก็ไม่มีใส่ไปโรงเรียนนะไม่มีรองเท้านักเรียนก็ต้องใส่ไปรองเท้าแตกชุดนักเรียนนะก็เก่าๆขาดๆจะซื้อใหม่ชุดหนึ่งก็หลายร้อยบาทเ่ยนะ พ่อแม่ไม่อยู่ด้วยนะยายก็ไม่มีตังค์ซื้อให้เจ็ดโรงเรียนเนี่ยหลวงพ่อต้องหาชุดนักเรียนให้เด็กทุกคนเลยละ่ะเพราะสภาพการเนคล้ายๆ ก, กันก็ให้ชุดนักเรียนทุกคนที่เราให้ญาติโยมฟังก็เพื่อให้เห็นอนาคตนะของประเทศเราว่าถ้าการศึกษาเราเป็นแบบนี้แนวันข้างหน้านะ โหลาเราโตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นอย่างไรตรงนี้คือปัญหาใหญ่เราก็จะเห็นได้ว่าประเทศเราเพอเด็กโตขึ้นมาเป็นวัยรุ่นหน่อยก็มักจะเสียผู้เสียคนง่ายๆเด็กวนหนึ่งก็ปิดยาเสร็จปิดนะ่ะเด็กบ้านเราเนี่ยอายุสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกนี่ก็กินเหล้าเป็นสูบบุหรี่เป็นเล่นการพนันเป็น แล้บางคนก็อยากมีรถมอเตอร์ไซค์นะพอมีมอเตอร์ไซค์มาก็มีแก๊งนะเป็นกลุ่มขับมอเตอร์ไซค์แข่งกันบ้างสุดท้ายลงเอ๋ยก็เออตายาะจากอกุบัติเหตุก็มีเป็นจำนวนมากเรนะาพอวิดเรื่องนี้มาได้ความกังวลว่าจะทำอย่างไรจะทำให้ลูกหลานเราเนี่ย เติบโตขึ้นมาแล้วเป็นคนดีแต่ที่สำคัญก็คือสามารถเหยียบพึ่งตัวเองได้ความจริงแล้วเนี่ย เ, เด็กๆทุกคนนะ่ถ้าหากว่าเราฝึกนะฝึกให้เขารู้จักการพึ่งพาตัวเองตั้งแต่เด็กๆนะ้ะพานึกถึงตัวเองเหมือนกันเพราะว่า อไม่ในแม่มาแต่เด็กๆเนะี่ยหลายอย่างที่เราสามารถทําเองได้นะอายุยังไม่ถึงเจ็ดขวบเนี่ยเราก็ซักผ้าเป็นละนะต้องซักเสื้อผ้าของตัวเองพอนะโตขึ้นมาหน่อยก็หุงหาอาหารกินเองได้ทํากับข้าวกินเองได้นะตอนนี้ก็เกิดจากการที่มันเหมือนกับต้องต้องช่วยตัวเองนเะพราะเรา ไม่มีแม่แต่สำหรับเด็กที่ทั้งพ่อทั้งแม่ไม่มีอันนี้ก็ยิงจะลาบากหลวงพ่อจึงสร้างโรงเรียนขึ้นมาโรงเรียนหนึ่งคี่ว่าโรงเรียนนาถาศาสตร์เป็นโรงเรียนที่หลวงพ่อเอาหลักความคิดว่ า, าถ้าหากว่าเด็กๆ เ, เนี่ยเราฝึกเขาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยจ็ดขวบเนี่ยเริ่มฝึกละ ประกอบอาชีพทำมาหากินปลูกผักเลี้ยงไก่ได้เลี้ยงตาเป็นเงเด็กก็มีไรายได้ตั้งแต่เด็กๆลูกๆหลวงพ่อเนี่ยป .1 ก็มีไรายได้อย่างน้อยวละสามสิบาทเลย่ะเดี๋ยวนี้ป .5 ป .6 ก, ก็มีเงินเก็บคระละเจ็ดแปดหมื่นแต่ก็หน้าแปลกครูลนะครูที่มาสอนเนี่ย เป็นมีคนแล้วเป็น ล, นล้านก็มีนะฮะแตนที่จะมีเงินเข็ดแบบเด็กแต่ก็ต้องเข้าใจครูนะเพราะครูเนี่ยตึงยาเหรียนจบปรินยามาก็ตามแต่เราก็จะเห็นได้ว่าครูโดยทั่วไปก็มักจะขาดหลั ก, กนในการดํานินชีวิตที่สำคัญนะพอในยุคสมัยก่อนเนี่ยครูเราบางทีก็หลงไป หลงในที่นี่หมายถึงการไม่รู้จักการประมาณตนแล้วครูก็มักจะชอบนะที่จะผ่อนนนนผ่อนนี่ผ่อนรถผ่อนลาผ่อนบ้านผ่อนสารพัดเลยนะครูเนะี่ยจนครูทั้งประเทศก็กลายเปน็นหนี้ก้อนโตกันบางคนเงินเดือนตรงสามหมื่นนะแต่พอรับจริงรับแค่ สองสัมพันนะบางคนถูกหักปัะตบมาเหลือเงินลับลายเดือนแค่เจ็ดแปดร้อยก็มีก็กลายเป็นทุกก้อนโตการเป็นหนี้เป็นทุกข์ในโลกนะครูก็ทุกข์กันทั้งโลกเลยตอนนี้นะโดยเพพาะครูประเทศไทยนะทีนี้ครูจะแก้ความทุกข์นี้อย่างไรบางทีบางคนมันก็ไปไกลแล้วนะ การเป็นนี่ก็ทำให้เหมือนกับเดินหลนไม่ไหวละ่ะสู้ไม่ไหวละบางคนก็เหลเถิดไปถึงการต้องมากู้สหกรณ์มาเอาเงินเฉพอคอนะ <c oughs> ก็คือเงินที่เอาไว้เผาศพตัวเองนะั่นแหละนะเอามาใช้ก่อนเงินที่มาจะเอาไว้ตอนเสียชีวิตเนะ่ก็มาใช้ก่อนดังดี อันนี้ก็กลายเป็นปัญหาที่เหมือนกับไม่มีใครมาช่วยได้ไมมใครมาแก้ให้ได้แต่หละงพ่อก็ยังมีความเชื่อว่าพุทธเจ้าพระุทธองคนะ์ท่านสอนอัตตาฮิอัตโนนาโทเนะ่า <c oughs> จนปัญหาจึงเป็นเรื่องที่จะต้องแก้กันเฉพาะตัวเฉพาะคนไปปัญหาทุกอย่างจริงๆก็มีทางแก้ไขนะมีทางแก้ไข บางปัญหาก็อาจจะสลับซับซ้อนนหะการแก้ก็ต้องใช้หลักของสติปัญญาเป็นสําคัญเวลาจะแก้ปัญหาเราก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุนะเหตุมันเกิดจากอะไรถ้าเราเข้าใจถึงปัญหาเหล่านั้นใช้สติปัญญาในการแก้มันก็จะแก้ได้แต่ปัญหาที่ใหญ่ๆหนักๆเนีน่ย มันก็จำเป็นที่ต้องใช้เวลานะในการแก้ไขกันก็นะย้อนกลับมาที่พวกเราที่เป็นผู้สนใจผู้ศาสนาและก็บางคนก็จะปฏิบัติธรรมอยู่แล้วนะและ้วพอเราคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะเข้าใจหลักลยการดำเนินชีวิตที่ดีด้ยพระอย่างยิ่งเนี่ยพวกเรามัน ถึงวัยตรงที่เราผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวมากมายแล้จนถึงจุดนี้เราก็จะเห็นอะไรแบบตามความเป็นจริงมากมายถ้าใครศึกษาธรรมะเขาจะเข้าใจโลกเข้าใจชีวิตเข้าใจคนแต่มาเข้าใจแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือทาใจทาใจที่จะยอมรับสิ่งเหล่านั้นตาม เป็นจริงนะตามที่มันเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยเราควรจะมองให้ให้ถูกด้วยว่าเออมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตัวตนที่แท้จริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนัตตาถ้าว่าเรามองอย่างนี้เราจะเข้าใจอะไรมากขึ้นเราจะไม่ไปติดไปขัดเรื่องนู้นเรื่องนี้คนน้นคนนี้ะ เฉพาะใช้หลักนี้สำคัญว่าเออทุกอย่างมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเพราะทำใจได้ทุกเรื่องนหะที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาสามสิบกว่าปีกับการทำงานเนี่ยหลวงพ่อผ่านเรื่องราวแทบจะทุกเรื่องเลยะละร้อนหนาวฝนพายุผ่านมากับทุกเรื่องจนถึงวันนี้แต่ไม่หลวงพ่อ เน่งสงบเน่งได้ที่เน่งได้ก็เพราะว่าเห็นแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็แค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเปลี่ยนไปแต่ถ้าหากว่าเราไปยึดไปติดเนี่ยอยู่กับสิ่งเหล่านั้นเนี่ยเราก็จะเป็นทุกข์เองการที่เราไปยึดเพิดถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นความทุกข์ใหญ่ แต่ที่สำคัญเนี่ยก็คือถ้าหากว่าเราไปคิดว่ามันควรจะเป็นอย่างน้อนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาง่ายๆว่าคืออยากให้เป็นไปดั่งที่ใจปรารถนาอันนี้แหละแต่พ่อคิดว่าเป็นบอกเกิดของความทุกข์ที่ใหญ่ที่สุดนะอยากให้อันอน้นอนี่้อนั่นเป็นอย่างที่ใจเราต้องการนะเมื่อเราคิดอย่างนั้น อยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปที่ใจต้องการอันนี้แหละดะทำให้เราเกิดความรู้สึกเป็นทุกข์มากจะ ต, ต่างว่าเรามองไปอีกด้านหนึ่งเรามองสิ่งต่างๆว่าเออมันเป็นธรรมดาเออมันเป็นเช่นนั้นเองเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเราก็จะไม่ไป เอาจิตใจของเราเป็นที่ตั้งว่าเออมันต้องเป็นไปอย่างที่เราคิดเราปรารถนาจะยิ่งถ้าหาว่าเราเป็นคนที่มีหน้าที่นะมีความรับผิดชอบมันจะโสมุ่งไปเรามีลูกน้องเลยนะมีผู้ใต้บังคับบัญชาอบอกมีสั่งนั้นแล้วไม่ทําไม่เพื่อดั่งใจนะเราก็จะทุกข์เพราะสิ่งเหล่านี้นะ แค่ดมคนพอจะเข้าใจนะวา่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวแต่ถ้าเรามองคนอื่นนะถ้ามองด้วยความเข้าใจแล้วก็ยอมรับเออเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นเช่นนั้นเองแต่ถ้าหากว่าเราเป็นคนมีธรรมะ เราสามารถที่จะเอาหลักใหญ่ของธรรมะไปใช้ก็คือความเมตตาเมื่อเราเข้าใจสงสารเห็นอกเห็นใจอันนี้แหละอะมันจะทําให้เราเกิดอย่างน้อยสองเรื่องน่ะคือเกิดปัญญาปัญญาที่รู้เห็นตามความเป็นจริงว่าเออเขาเป็นอย่างไรมันเป็นอย่างไรมันึเป็นอย่างนี้แล้วเราจะแก้อย่างไร อันนี้เราพ่อได้ว่ามันเกิดปัญญาเรพ่อดูแลผู้คนมามากมายาวนานเขาใช้หลักการนี้และแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราใช้หลักของความเมตตาเป็นสําคัญความปรารถนาดีจะทำให้เราเข้าใจแล้วก็ยอมรับผู้คนที่แตกต่างกันเวลาเราจะแก้คนก็ต้องเออมาแก้ด้วยปัญญาของเรา ว่าเรารู้ว่าเราครจะแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรเราก็ให้ความรู้กับคนที่เขายังไม่รู้เมื่อเขารู้เข้าใจก็เปลี่ยนแปลงตัวเองได้ดีขึ้นแต่บางครั้งเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในโลกนี้บางคนรู้แล้วก็ไม่ทำขาดอะไรบางทีก็ขาดกำลังใจ เรารู้วออขาดกําลังใจเราก็เติมกําลังใจให้กันทุกวันหลวงพ่อให้กําลังใจคนอยู่ตลอดเวลาเพราะหลวงพอ่อเจอคนวันวันหนึ่นี่ยไม่ไม่รู้เป็นพันๆคนนะทุกวันทุกวันอวยพรให้ทุกคนแต่อยู่ตรงไหนหลวงพ่อก็ลดน้ำบนต์พรมน้ําบต์ทุกวันจนแขนตัวเองเนยกไม่ไหวแล้วก็เนี่ยแล้ ไปอยู่ตรงไหนคนก็ให้ทําน้ํามนต์แต่เดี๋ยวนี้มีงานพิเศษเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยไปตรงไหนก็ให้จเจอแต่กระเป๋ากระเป๋าเา้าแต่รวยรวยกันหลวงพ่อก็เจอไปทุกคนแอยิ้มจะกงให้พรทุกคนหลวงพ่อทําให้ทุกคนพร อ, อยากให้ทุกคนมีกําลังใจให้ทุกคนมีความหวงังแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งทั้งหลายท่านปวงเนี่ย มันสํสำเร็จได้ด้วยใจของเรานี่แหละนะถ้าใจเราเป็นคนที่มีหลักธรรมสาคัญ ก, ก็คือความเพียร น, นะวิยะความเพียรขันติอดทนอดกลั้นเลยสู้ได้ก ง, ง่ายๆว่าสู้แต่สำคัญกว่านั้นก็คือต้องมีเมตตาถ้าถ้าเราสู้เราอดทนแต่ไม่มีเมตตาเนะี่ยมันเป็นการเป็นการสู้แบบแข็งแข็งนะท้านโยม แต่ถ้าเรามีทั้งความเพียรมีทั้งขันเตะและประกอบด้วยเมตตาเนะี่ยถ้าการสู้มันก็เป็นเหมือนกับศิลปะที่สวยงามของชีวิตรเรานะ ข, อขอให้เราได้ลองเอาหลักนี้ไปใช้นะเราจะได้มีกำลังใจแต่เพราะทำงานทุกวันสามสิบห้าวันไม่เคยหยุดงานไม่เคยมีวันหยุดเลยแม้แต่วันเดียว แต่หลวงพ่อก็ทํางานได้อย่างมีความสุขและสําคัญกับเต็มที่กับชีวิตทุกวันเหตนผมทําการเรื่องนี้ก็เพราะว่าหลวงพ่อรู้แล้วว่าเวลาของชีวิตมีค่าพวกเราเป็นผู้ศึกษาธรรมะปฏิบัติธรรมย่อมจะต้องรู้และเข้าใจแล้วว่าพระองค์นั่นตัดสอนพวกเราอย่างไรสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา แล้ท่านตัดเตือนพวกเราเรื่องเวลานะอย่าปล่อยเวลาให้ล่วงเปล่าประโยชน์เลยเวลาผ่านไปวันหนึ่งก็แปลว่าชีวิตของเราเหลือน้อยลงเวลาของเราเหลือน้อยลงในเวลาที่ผ่านไปแล้วเราไม่สามารถจะเรียกกลับคืนไม่ได้ตรงนี้เอง่ะถ้าใครเข้าใจเรื่องนี้เนี่ยมันก็จะเกิด สติปัญญาขึ้นมาชุดหนึ่งที่จะกระตุ้นเตือนตัวเองว่า เ, ออเวลามีค่าใช้เวลาของชีวิตให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์นะแล้วก็เป็นเวลาที่เราได้สั่งสมบุญบา ร, รมีทุกวันเราพอใช้เวลากับการสร้างบุญสร้างบา ร, รมีของตัวเองตลอดเวลาทุกวันทุกวัน เราจึงได้เข้าใจว่าเออการใช้ชีวิตแบบนี้เนะี่ยมีประโยชน์นะคุ้มค่ากับเวลาที่ผ่านไปในะแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันแต่และ ว, วันเราทุกคนไม่มีใครรู้ว่าชีวิตเราจะอยู่ได้อีกกี่วันกี่เดือนและกี่ปีไม่มีใครรู้แต่ถ้าเรา ยอมรับและเข้าใจเข้าใจแล้วก็ยอมรับว่าเออชีวิตเรามันมีเวลาจํากัดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเหลืออีกกี่วันกี่เดือนกี่ปีเราเรานึกดูว่าวันนี้เราควรจะทําอะไรก็เพรานั่นถึงตัดสอนพวกเราเนะี่ยแหละทําวันนี้ให้ดีที่สุดนะ่ะทำปัจจุบันให้ดีที่สุดตรงนี้เองนะเป็นจุดน่าจะสําคัญสูงสุดเลยนะ สำหรับความแตนักในชีวิตของเราผลเวลาแต่ละลมหายใจมันจะมีค่าญาติโยมหลวพ่อนั่งอยู่ตรงไหนลมหายใจของเราพ่อทุกลมหายใจจะต้องมีค่าอยู่ตรงไหนแลวพ่อก็จะยิ้มนะใครให้หลวงพ่อทำอะไรก็ทำใช้ทำอะไรก็ทำให้ฉันอะไรก็ชานไปวันนี้ถวายพระต่งางาหลวงพ่อ ไม่รู้กี่อย่างแลราพ่อฉันอยา่าละค ำ, อ ย, คำยอย่าละคำญาติโยมลธงทมดูสิอาหารร้อยอย่างได้ฉันอยา่าละคำอยา่าละคำชีวิตจะเป็นยังไงพ่อสามารถทำใจได้แล้วพวกเราจะทานอาหารอะไรไปที่โรงอาหารบองหาก่อนว่าวันนี้จะทานอะไรดีวันนี้จะทานก๋วยเตี๋ยวหรือทาน ข้าวมันไก่ข้าวหมูแดงข้าหมูฮะเราก็คงดะทา น, นอย่างไรยังทานแล้วไปยังไงเอออร่อยนะอร่อยแต่หลวงพ่อไม่มีอร่อยสักคำเลยแ ต, แต่ต้องฉันฉันยังมีสตินะฉันไปก็เพื่อที่จะยังอัตภาพให้เป็นไปพอสุดท้ายกัน ดื่มกินของเราทั้งหมดทั้งปวงนะญาติโยมก็คงจะเข้าใจนะว่ามันก็เออแค่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอย่าไปติดไปยึดในรสชาติอย่าไปมัวเมาในรสชาติของอาหารแล้วทำอย่างไรล่ะเราถึงจะไม่มวเมาในสิ่งเหล่านี้หรือว่าไปยึดติดเราไม่ต้องไปคิดมากว่าวันนี้จะกินอะไรนะถ้าต้องมีสติญาติโยม พระสงฆ์เจ้าเวลาท่านขบฉันเนะ่ะพระเถรองท่านก็ให้ตะหนักเนะี่ยให้มีสติขบฉันอะไรก็ให้มีสติให้เห็นสภาวะของอาหารทั้งหลายว่ามันสักแต่ว่าเป็นธาตุเราฉันเข้าไปเนี่ยก็เพื่อยังอัตภาพให้เรามีชีวิตอยู่ให้ชีวิตเราดำเนินไปแต่ หมายสำคัญของชีวิตก็คือการปฏิบัติธรรมก็คือการประพฤติพรหมจรรย์เพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปแต่ในย่าตเดยมพระองคองท่านสอนในท่ทังการกบฉันก็กลายเป็นพันธกิจของการเจริญสติปัญญาจะยืนเดินนั่งนอนทำอะไรเราจึงต้องมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมจุดทุกเมื่อเราจึงจะเกิด ปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงโดยที่สุดละอ๋อเออมันก็เท่านี้เองนะเออมันก็เท่านี้เองมันก็เป็นอย่างนี้เองมันเป็นธรรมดาแง่เดียวก็จะสบายขึ้นนะ่ะสบายนี้นหมายถึงสบายทั้งกายทั้งใจเลยนะเราก็จะไม่ต้องไปดิน้นหล่นแสวงหาจะกินนู่นกินนี่กินนั่น จกนกระทั่งกลายเป็นเรื่องยึดติดเนะี่ยแต่จริงๆแล้วพวกเราส่วนใหญ่ก็บางคนก็อาจจะเข้าใจนะแต่ว่าการสุขัดปฏิบัติตนก็เป็นเรื่องเฉพาะตัวใครทําใครก็ได้ใครรู้ใครก็เข้าใจพอเป็นรมาเราก็จะเข้าใจหลักธรรมสาคัญสาคัญที่ชีวิตเราต้องมียกตัวอย่างเช่นก็นว่าสมถะมักน้อยสันโดษเนี่ยเห็นไหมญาติโยมนะ กว่าจะกว่าจะรู้กว่าจะเข้าใจแล้วก็กว่าจะทำได้จริงๆมันก็ต้องฝึกตนให้มากๆพอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราเข้าใจหลักธรรมเหล่านี้ความเพิกมฉยจะค่อยน้อยลงน้อยลง ต, ตัวอย่างเช่นสมเด็จ พระสังกราชพระองค์ปัจจุบันเนี่ยแต่ท่านตัดสอนอประชาชนนี่ยโดยเฉพาะหัวข้อเนี้ให้ทําตัวเป็นผู้เลี้ยงง่ายโดยเฉพาพระเนี่ยทําตัวเป็นผู้เลี้ยงง่ายเช่นเดียวกันนะถ้าว่าพวกเราทําตัวเป็นคนเลี้ยงง่ายเช่นเดียวกันเราก็จะไม่ไม่ยุ่งยากในลําบากแล้วก็ไม่เป็นภูมิในภายหลังมากเกินไป อย่างนี้เองเนีย่ยเดี๋ยวพวกเราโชคดีนะที่ได้เกิดเป็นมนุษย์พนอะบุญเก่าบารมีเก่ามีมาทุกคนก็จะบอกวพวกเรามากันสว่างแล้วแหละแต่จากนี้ไปแล้วจะไปยังไงไปสว่างหรือไปมืดก็อยู่ที่พฤติกรรมของเราอยู่ที่การกระทำของเราการปฏิบัติตนของเราถ้าเรามาได้บุญนะมาชาตินี้ก็สั่งสมสร้างบุญ ใหม่นะต่อเติมไปแล้วก็ออสว่างไปสว่างมาสว่างไปบางคนสว่างมาก็จริงนะแต่ไปมืดเพราะชาตินี้ก็ไม่ได้ประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลบางคนมาเมืดเมื่แต่กลับได้ไปสว่างพอมามาแล้วนะได้ประกอบความเพียน ปฏิบัติธรรมศึกษาปฏิบัติธรรมท้ายสุดชีวิตก็ได้ไปสว่างอันนี้ก็มีแต่คนที่แย่ที่สุดคือมาดม้วยแล้วยังไปมึดเมิดทั้งมาเมดทั้งกลับเลยเราก็ขอให้พวกเราได้ระลึกนึกถึงบุญวาสนาของเราโชคของเราที่ได้สั่งสมมาแล้วเนี่ยได้เกิดเป็นมนุษย์ได้มนุษยสมบัติ ทันดีแล้วนี้ก็ขอให้ใช้โอกาสสองกายตัวมนุษย์ของเราให้มีค่าที่สุดเลยทัางพอขอย้ำนะในเรื่องของเวลาใช้เวลาให้มีค่าแต่อย่าปล่อยเวลาให้ร่วงปล่าประโยชน์เลยแต่วันวันหนึ่งเนี่ยถึงพวกเราก็มีเวลาเท่ากันนะ้อยยีิบสี่ชั่วโมงเราก็เราไปทบทวนดูวันวันหนึ่งเรา เอาเวลาไปใช้ทําอะไรยังไงบ้างเพราะบางอย่างเนี่ยมันไม่มันกับใช้ไปแล้วมันไม่ได้มีค่าเลยนะมันหมดเวลาเปล่าๆไปเพราะบางทีเนี่ยนอกจากเราจะไม่รู้เรื่องของตัวเองแล้วเนะี่ยบางคนก็อยากรู้เรื่องของคนอื่นเลยนะ อยากจะรู้แต่เรื่องคนอื่นนะแต่เรื่องตัวเองไม่ได้รู้หรอกไม่เคยรู้ตัวเพราะเราเสียเวลานะกับเรื่องที่มันไม่ได้เป็นประโยชน์ที่แท้จริงแก่ชีวิตของเราอย่าเสียเวลาอย่าปล่อยเวลาให้ว่างเปล่าประโยชน์เลยนะดังนั้นเนี่ยก็ขอให้เราได้ระหนักในเรื่องของการใช้เวลาและโอกาสของชีวิตให้ดีตนะ่เพื่ออะไร ทุกวันข้างหน้าของเราอนาคตข้างหน้าของเราชาติหน้าพพหน้าเราจะเป็นอะไรแน่นอนว่าเราต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อีกนานเลยแต่ถ้หากว่าเราไม่ได้สร้างไม่ได้สั่งสมบุญบารมีนนะภพชาติเราก็ทิ้งยาวงานมากขึ้นและที่สำคัญสุดท้ายที่หลวงพ่อจะพูดถึงก็คือขอให้เรา ได้ตระหนักนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีเราเป็นกันอยู่เนี่ยแท้จริงมันไม่มีอะไรเป็นของใครได้เลยไม่กระทั่งตัวตนของเราเพราะเวลาเรามองสิ่งต่างๆก็ขอให้มองด้วยความจริงข้อนี้นะอย่าไปหลงบอมเรื่องของชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองยศถาบรรดาศักดิ์หรืออํานาจอะไรต่างๆอย่าโยนม่ให้ดีนะ นึกดูให้ดีว่าสุดท้ายแล้วเราเอาอะไรไปได้บ้างนะจากชีวิตนะจากการมีชีวิตแล้วดิ้นหลนสแสวงหาครอบครองกันนะึกให้ดีนะว่าเราเอาอะไรไปได้บ้างก็มีแต่บุญบาปแต่ละเรืองที่จะติดตัวเราแล้วก็เป็นสิ่งสําคัญที่กําหนดนะว่าเราจะไป เกิดที่ไหนอย่างไรเป็นอย่างไรในวันข้างหน้า่ะญาติโ ย, ยมบางทีบางคนนะมีไม่ได้มีความร่ำรวยหรอกนะแต่ว่ามีความสุขที่เขามีความสุขแล้วสุดท้ายตายก็ยังได้ไปสวรรค์เพราะเขามีบุญมีโยมผู้หญิงท่านหนึ่งหลวงพ่อไปเทศงานศพอายุหกสิบสองตายในห้องน้ำ ไม่มีเสื้อผ้าสักชิ้นเนี่ยผู้หญิงเน่ยไม่มีครอบครัวไม่มีสามีไม่มีลูกแต่มีเงินในห้องนอนเธอมีเงินส0 0ร้อยกว่าล้านเงินที่ได้มาจากการประกอบอาชีพสุดจริตสมาอาชีพตั้งแต่สาวสาวขายข้าวสารเป็นครอบครัวใหญ่เป็นเจ้าของโรงสีตระกูลเนี่ย แต่กลับไม่เคยทำบุญเลยญาติโยมในบ้านไม่มีพระไม่มีเท่ารูปสกักองไม่มีหนังสือสดมนักเล่มหลานติดถนนข้ามถนนไปเป็นกำแพงวัดไม่เคยเดินเข้าไปในวัดวัดจัดงานอะไรไม่เคยไปทำบุญ ห่างจากบ้านไม่ถึงร้อยเมตรก็เป็นประตูวัดพระเนรเดินอุ้มบาทออกมาไม่เคยใส่บาดเลยยอดเยีย่ยมตัวเลื่นล้มเชื่อชีวีในห้องน้ำไม่มีเสื้อผ้าสาักชิ้นพี่น้องกว่าจะรู้ก็ผ่านไปสองวันอยู่บ้านคนเดียวอยู่ตึกคนเดียวเยตึกสี่ครัห้า บอกน้องมาทำงานว่าสิบกว่าคนขายข้าวยงินให้กลับหมดคนใช้สองคนให้กลับบ้านหมดอยู่คนเดียวหลวงพ่อก็ไม่รู้จริงๆว่าเธอคิดอะไรอย่างไรแต่ไปเล่นหน้าเสียดายนะเงนินสองร้ยกว่าล้านที่เก็บไปในห้องนอนเธอก็เอาไปไม่ได้แต่ถ้าถามว่าในวิถีที่เขาไปเชิญหน้ากับโยมพบาล จะตอบยมพรบาลว่าอย่างไรเราลองพิจารณาดูว่าเธอจะได้ไปไหนจะได้ไปสวรรค์หรือว่าจะได้ไปอยู่ในนรกหรือจะเป็นอย่างไรเพราะเธอไม่เคยทําบุญเลยตรง น, นี้เองไงเป็นเรื่องน่าเสียด า, ย, าดอยอย่างจุกวันหนจะมีเป็นพันล้านหมื่นล้านหรือแสนล้านอันนี้เอาไปต่อรองโยมพรบาลไม่ได้ แต่ถ้าเราเป็นผู้มีบุญเดี๋ยวปะบาลเห็นเรามาก็เออแสงแห่งบุญมาละบุญบา ร, รมีนะตรงนี้เองนะเดี๋ยวพระุทธองค์นั่งจึงตัดสอนพวกเราด้ดยหลักสัจธรรมสูงสุดก็คือสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมพวกเราได้สร้างได้ทำกรรมอันใดไว้ก็ย่อมได้รับผล เราสร้างบุญสร้างกุศลประกอบคุณงามความดีก็ย่อมเป็นเหตุปัจจัยสำคัญนะที่จะทำให้ชีวิตเราในดวงหน้านะชาตินาภพนาเราได้ผลของกรรมของเรานะที่เราเรียกว่าบุญนั่นแหละนะดังนี้เองาติโยมนะพวกเราที่ฝักฝไ่ได้การศึกษาทำปฏิบัติธรรม ดีแล้วญาติโยมแต่ก็ขอฝากเป็นเรื่องสุดท้ายก็คือลองไปพิจารณาตัวเองดูเออเราเต็มที่หรือยังเต็มที่กับชีวิตหรือยังใช้เวลาทุกวันให้คุ้มค่าใช้เวลาให้คุ้มค่าสร้างบุญสร้างกุศลให้มากซึ่งบุญกุศลที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือการเจริญภาวนาญาติโยม ใครที่สวดมนต์ไหวพระนัง่งสมาธิกรรมฐานและเจริญสติจะหลงเอ่ยก็ขอฝากแผ่เมตตาโดยเฉพาะให้แก่เจ้ากรรมในเวรของเราพวกเราทุกคนนะ่ะนะมีเจ้ากรรมในเวรแลวงพ่อทำทุกวันแต่ในหัวใจของหลวาพ่อไม่มีเจ้ากรรมในเวรไม่เคยคิดร้ายกับใครทุกวันหลวงพ่อจึง อยู่ที่ไหนก็สบายใจนะสงบสบายใจยิ้มได้ทุกที่เพราะไม่มีเจ้ากรรมในเวรดังนี้เองเราเองอย่าไปสร้างบาปสร้างกรรมกับใครแต่ถ้าเดยกกันเด็ใครที่เขากระทำต่อเราเราก็ เอาวิสิกกรรมและให้อภัยโดยหลักของเมตตาญาติโยมเราให้อภัยเขาเราก็ไม่เป็นกรรมต่อกันปรับคิด่างนี้ได้นะชีวิตเราก็จะมีทั้งความสุขความเฉลิและความสําเร็จเพราบางคนนั้นนะ่ยพอแก่เท่ามามันก็จะมีทุกอย่างหนึ่งก็คือเนี่ยเรื่องเจ้ากรรมในเวรความเจ็บความป่วยไขย้ที่เกิดขึ้นบางคนก็ เอาเป็นเรื่องหนักๆเลยนะพอาเราป่วยเดือดเยือเรือหลังก็ไม่สบายใจความทุกข์ใจพอจึงไม่อยากเจ็บไม่อยากป่วยแต่ความเจ็บป่วยโดยทั่วไปแล้วก็มีผลมาจากกรรมของเรานี่เองอเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราได้ สร้างแต่กรรมดีพยายามนะสร้างบุญสร้างกุศลมีโอกาสก็สร้างทำให้มากที่สุดนะยิ่งทำเราก็ยิ่งได้และยิ่งทำเราก็ยิ่งเข้าใจยิ่งเข้าใจโดยเพราะการปฏิบัติธรรมการปฏิบัติธรรมเรื่องสุดท้ายที่จะบอกญาติโยมก็คือขอให้ใช้โอกาสนะ ทุกเรื่องทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยขอให้มันเป็นแบบฝึกหัดแบกเกลื่นเแบบฝึกหัดในการปฏิบัติธรรมญาติโยมกุณะเข้าใจทุกเรื่องที่มันเกิดขึ้นขอให้เราทำเป็นแบบฝึกหัดใช้เป็นแบบฝึกหัดในการปฏิบัติธรรมฝึกจิตฝึกใจของเรานะซึ่งบางคนก็อาจจะเข้าใจแล้วนะทุกเรื่อง เราสามารถใช้เป็นบทเรียนในการปฏิบัติได้เป็นแบบฝึกหัดเพราะเ่า อ, อะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะที่ไหนก็ตามหลวงพ่อก็ใช้เป็นโอกาสในการปฏิบัติอยู่เส ม, มอถ้านั่งอยู่ตรงไหนหลวงพ่อก็จะยิ้มได้เส ม, มอนั่งอยู่ไหนหลวงพ่อก็สงบเยือกเย็นได้เส ม, มอ พะเมื่อบุคคลผู้มีตนอันฝึกตีแล้วยอมชิว่าได้ที่พึ่งอันหาได้ยากยิ่งพระเถองค์ทันตัดสอนเราอัตตาหิอัตโนนาโทโกหินาโทปรโรสิยาอัตตาหิสุทันเตนะ นาถังรปะติตุละพังซึ่งแปลว่าตนแลเป็นที่พึ่งแห่งตนบุคคลอื่นใครเล่าจะเป็นที่พึ่งแห่งตนได้บุคคลผู้มีตนอันฝึกดีแล้วย่อมชื่อว่าได้ที่พึ่งอันหาได้ยากยิ่งดังนี้เองญาติโยม ผลบนกุวนที่เราได้สร้างธทมจากการฝึกตนเองนั่นแหละคือที่พึ่งที่ดีที่สุดเราจะไปทางสวรรค์หรือจะไปอยู่ในนรกหรือจะไปอยู่ในภพภูมิไหนไม่กรทังางจะเป็นเทพเทวดาเป็นพรหมก็ล้วนแล้วแต่ตัวเราเองเป็นผู้ปฏิบัติผู้สร้างผู้ทาจึงขอ ให้กำลังใจทุกคนนะตอนนี้บางคนก็อาจจะทุกข์อาจจะท้อนะแต่ขอให้มองทุกอย่างเป็นโอกาสดต่นั้นวนกุศลที่ญาญโยมได้บำเพ็ญแล้วในวันนี้ก็ขอให้เป็นพระปัจจัยนะเกื้อกูลแะแก่ ศรัทธาของญาติโยมให้เป็นผู้มีความเจริญในพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์บนที่หลวงพ่อมีขอเผื่อแผ่ปกป้องคุ้มครองญาติโยมศรัทธาสาธุชนให้คล้ายคลาดจากภัยรันตรรายทั้งหลายทั้งปวงที่สุดนี้หลวงพ่อ ข, อขอกราบอรรถธนา ขุนพระรัตนใจและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดงบันดาลประทานพรได้อายุวันนสุขภรพติพานทรสารสมบัติญาติโยมศรัทธาสาธุชนโดยทั่นทั่วกันทุกคนทุกคนเธอ